ทำบุญแล้วทำไมตกยากถามเคยเห็นคนตกยากแล้วมีแต่ใครๆอยากช่วยเหลือก็เนึกแปลกใจครับว่าขัดแย้งกันอยู่คือถ้ามีกรรมแบบที่จะได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับความสงสารเห็นใจจากใครๆก็น่าจะต้องทำบุญน่าจะเคยช่วยเหลือคนอื่นมามากแต่ทำบุญมากอย่างนั้นแล้วฉะนไหนตกยากได้ภาพที่ขัดแย้งกันแบบนี้บางทีก็ทาให้กางขาได้ว่า กรรมวิบากมีจริงหรือยังไรแนะ่ตอบพอเกิดเป็นมนุษย์ใ แ, แต่ละชาติเนี่ยมีโอกาสก่อกรรมที่ขัดแย้งกันได้มากไหมล่ะครับลองมองไปรอบๆให้เห็นตามจริงเถอะตำรวจบางคนวัยหนุ่มเป็นวีรบุรุษที่สุดตบท้ายกลายมาเป็นนักโทษวัยชราก็มีให้เห็นแล้ว ผมเคยเจอมามีอยู่รายหนึ่งมองสัตว์ในแง่ดีแต่มองคนในแง่ร้ายตลอดผลคือกรรมทางความคิดคำพูดและการกระทำนั้นจะเป็นทำนองใจดีกับสัตว์แต่จะร้ายกับคนคงพอนึกออกนะครับเหมือนอย่างที่นานๆมาแล้วมีเพลงๆหนึ่งบอกว่าทำบุญกับคนไม่เคยขึ้นน้อยใจเลยหันไปทำคุณกับหมาแทน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปมอันสลับซับซ้อนของแต่ละรายน่าเห็นใจและว่ากันไม่ได้ครับเกิดมาด้วยความไม่รู้ทำทาอะไรกันไปด้วยความไม่รู้เป็นพื้นยืนกว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติกว่าจะมีโอกาสเงี้ยหูสดดาฟังการชี้ถูกผิดจากพระองค์ท่านแต่ละคนก็ต้องเคยหลงก่อบาปเป็นวักเป็นเวรยาแย่กันท่วนหน้า ไม่มีใครพลาดพลั้งน้อยหน้าไปกว่ากันแม้เห็นชีวิตจริงหรือความเป็นไปไ ด, ด้จริงของชีวิตกันจัดจะด้วยตาเปล่าว่าคนเรากลับไปกลับมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกันเป็นส่วนใหญ่แต่เราก็มักจะทึกทักสร้างภาพในอุดมคติว่าคนดีย่อมทำกรรมดีได้อย่างเดียวคนชั่วย่อมทากรรมชั่วได้อย่างเดียวหรืออีกนายหนึ่ง คือคนทำกรรมดีน่าจะต้องเป็นคนดีเสมอไปคนทำกรรมชั่วน่าจะต้องเป็นคนชั่วเสมอไปความจริงอันเป็นที่สุดก็คือไม่มีใครชั่วจริงตลอดไปไม่มีใครดีจริงตลอดการจะมีก็แต่คนหลงผิดคนไม่รู้แจ้งแทงตลอดในกฎแห่งกรรมวิบากเท่านั้น เมื่อไม่รู้ก็ออกอาการหลงไปตามผัสสะผัสสะดีมาก็อยากดีตอบผัสสะร้ายมาก็อยากร้ายตอบเรื่องของเรื่องคือเราไม่รู้หรอกว่าที่ดีๆร้ายๆไปแต่ละครั้งนั้นเจอปังต่อเจอของแข็งเข้าให้กี่ครั้งทําความเข้าใจด้วยจุดนี้น่าจะคลายความกังขาหญิงชายหลายคนรักสัตว์ เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ดีมีสุขเวลาป้อนข้าวป้อนน้ำกับมือก็ทาด้วยอาการอ่อนน้อมมีจิตคิดอนุเคราะห์เต็มเปี่ยมผลที่ทําแม้เพียงกับสัตว์เดราาัจฉานจิตวิญญาณตกอยู่ในอบายภูมิก็จะได้ดีมีกุศลวิบากติดตัวไปคือจะเป็นผู้อยู่ดีกินดีไปไหนใครเห็นก็อยากให้การอุปถัมภ์ดูอ่อนโยนน่ารักน่าหยิบยื่นข้าวของเงินทองให้หวังว่าคุณ คงเคยเจอคนประเภทนี้พวกเขาจะมีแม่เหล็กดึงดูดใจและดึงดูดข้าวของจากเราไปง่ายๆอาจไม่ต้องเปลืองแรงเอ่ยขอเลยด้วยซ้ำนี่แหละผลของกรรมที่เคยช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยจิตอนุเคราะห์อย่างสม่ำเสมอคราวนี้คนคนเดียวกันนี่แหละครับพอเงยหน้าขึ้นมาจากสัตว์เห็นมนุษย์ด้วยกันเข้า จิตก็อาจเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบเขาเดินมาหาก็นึกระแวงไว้ก่อนว่านี่กะจะเอาอะไรจากเราแล้วเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบเราจะโดนต้มเอาซึ่งซึ่งหน้าหรือไม่เป็นต้นด้วยความคิดหวาดวิตกชนิดนี้อาจเป็นเพราะโดนมาเยอะในที่สุดก็อาจจะถือสุภาษิตชกก่อนได้เปรียบคือเขาจะเอาอะไรจากเราหรือเปล่าไม่สน รู้แต่ว่าเราจะฉกเอาจากเขาก่อนละนี่หรอครับเห็นสัตว์ทำหน้ า, ห น, าหน้าสงสารก็สงสารมันเห็นคนทำหน้าหน้าหมันไส้ก็หมันไส้เขาปรากฏอยู่ทั่วไปถ้าหมันไส้คนแล้วคุณไปทำร้ายคนหรือไปโกงคนหรือทำให้คนตกรกรรมลาบากเมื่อเกิดใหม่คุณก็ต้องโดนทาร้ายหรือโดนโกงหรือหมดเนื้อหมดตัว ระหกเระเหเร่ร่อนสถานการณ์จะหนักเบาเพียงใดขึ้นอยู่กับความแรงของเจตนาของคุณรวมถึงระดับคุ ณ, ณธรรมของคนที่คุณไปเล่นเข้าไว้พูดง่ายๆว่าเจอกระทงหนักก่อนแต่ด้วยกรรมที่คุณเคยช่วยสัตว์ด้วยจิตอนุเคราะห์ก็อาจตามมาช้อนรับไว้ไม่ให้ตกเตี้ยติดดินเต็มเตมตัว ชะตากรรมอาจสัตพาคุณไปเจอคนใจดีเห็นหน้าคุณแล้วเมตตาเอ็นดูอยากช่วยขนาดควักกระเป๋าสตางค์หยิบเงินเป็นฟ้อนให้เดี๋ยวนั้นนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันและจะไม่ยุติลงในอนาคตพวกที่มีกรรมดำและกรรมขาวตัดกันอย่างรุนแรงในตัวคนเดียวนั้นไม่ค่อยหาได้ง่าย บุคคลประเภทนี้เวลาสุขก็สุขจริงแต่เวลาทุกข์ก็ทุกปางตายและมักสับสนกับชีวิตเพราะเสวยผลสุดตรงสองด้านของชีวิตจนมึนงงแทบไม่อยากเชื่อว่าเหตุใดชีวิตพกผันกันได้ขนาดนั้นคนส่วนใหญ่มีกรรมดำและกรรมขาวปนกันมั่วๆแต่ไม่ได้ตัดกันรุนแรงมากนะัก ฉันมีเมตตากับสัตว์ปานกลางคือไม่ถึงกับคล้อมตัวลงไปป้อนข้าวป้อนน้ําให้มันกับมือไม่ถึงกับหาของดีเลิศมาปลนเปลือพวกมันไม่ถึงกับจับหมาแมวจรจัดที่ป่วยไข้ส่งสัตวแพทย์และขณะเดียวกันก็มีความหมันไส้มนุษย์ด้วยกันเพียงปานกลางคือไม่ถึงกับเห็นมนุษย์แล้วระแวงไปหมดไม่ถึงกับคิดโฉกชิงช่อชนใคร ไม่ถึงกับคุมแค้นขนาดเอาคืนคนทำร้ายเป็นสิบเท่าสรุปคือถ้ามองโลกตาเปล่าเห็นตามจริงว่าคนเราก่อคำอันขัดแย้งได้ก็ต้องมีสิทธิ์รับผลกรรมอันขัดแย้งสุดโตง่งคนละคั้วได้เป็นธรรมดาเช่นกันไม่น่าคลางแคลงกดแห่งกรรมวิบากแต่อย่างใดเลยครับ